ดูกนครัหาบดีนัยยะว่าบัดนี้ท่านไม่ทราบทิถีทั้งหมดของพระสมณะโคโดมขอท่านจงบอกว่าภิกษุทั้งหลายนี่มีทิถอย่างไรไงนะอนถาถก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบทิถิทั้งหมดแม้ของภิกษุทั้งหลายก็ท่านเป็นพระโสดาบันนะจะไปรู้ทิถิของพระสกทาคามีจะไปรู้ทิถิของพระอน า, าคามีจะไปรู้ทิถิของพระอนาหารจะไปรู้ทิถิของพระสารีบุตรเป็นต้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นรู้ไม่หมดหรอกันะก็รู้ได้แต่บางส่วนเหมือนกัน ดูก่อนคฤหาบดีนัยยะว่าท่านไม่ทราบที่ถิทั้งหมดของพระสมณะโคโดมทั้งไม่ทราบที่ถิทั้งหมดของพวกพิสุด้วยประการดังนี้ขอท่านจงบอกตัวท่า น, นมีที่ิ่นยังไงนะถามแคบลงม า, านะ <c oughs> ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายการที่ข้าพาเจ้าจะบอกที่ถิของข้าพาเจ้าว่ามีที่ิ่อย่างใดเนี่ยไม่ยากเชิญท่านทั้งหลายบอกที่ถิของตนเสียก่อน <c oughs> <c oughs> นะเออไม่ยากบอกง่ายมากของตัวเองไงแต่ว่าท่านมีทิ่ถิ่นยังไงเหมือนน ข้าพเจ้าจะบอกทิฏฐิของข้าพเจ้าว่ามีทิฐิอย่างใดในภายหลังซึ่งเป็นการทําไม่ยากนะนะให้บอกของท่านมาก่อนเถิดยิ่งง่ายมากนะทีนี้เมื่อนาถบินทิกาขึ้หาบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกคนหนึ่งก็กล่าวกับอนาถบินทิกะคึ้หาบดีว่าดูกรขึ้นหาบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเนี่ยเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าคือเขาถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นโลกเขาถือว่าโลกอันนี้มันเที่ยง โลกก็หมายถึงชีวิตเขานั่นแหละอ่ะเขาก็แล้วแต่เขาจะถือนะบางคนก็ถือรูปบางคนก็ถือเวทนาบางคนก็ถือสัญญาสังขารหรือวิญญาณอ่ะไอตัวนั้นมันเที่ยงก็เลยใช้คําว่าโลกเที่ยงของเราทำไมใหม่มาเรียนก็โลกนี่ไม่ใช่ลกูกแบบลูกฟุตบอลเน่ยนะคนในกันนะคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงเนี่ยนะโลกกว้างเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะ ถ, ถ, ถ้าอ้วนก็อาจจะเกินนะถ้าผอมก็ไม่ถึงไงนนะยาวอ่ะ ก็สักร้อยหกเจ็ดสิบแถวๆนี่นะน้ะนาก็คืบหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้แหละเหมือนอ่ น, นะสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นโลกมันเที่ยงถ้าใครพูดอย่างอื่นะไม่ใช่เหมนเนียคนที่หนึ่งเขาว่าไปอย่างนี้คนที่สองก็บอกว่าโลกไม่เที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าคนที่สามบอกว่าโลกไม่มีที่สุดหรอก คนที่4ี่ก็บอกโลกอ่ะมีที่สุดคนที่หก็บอกว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นคนที่6ก็บอกว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งคนที่7ก็บอกว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเกิดอีกคนที่8บอกว่าสัตย์ที่ตายแล้วอ่ะไม่เกิดอีกคนที่9ก็บอกว่าสัตว์เมื่อตายแล้วเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีคนที่10ก็บอกว่าเกิดท yani ja um> ี่ก็หาไม่ได้เกิดอีกก็ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้นี่ป่าหลอันเนี แต่ว่าสรุปว่าทั้งหมดทั้งทิฏฐิ ท, ทั้ง10ข้อเนี่ยนะคือสัสตะทิฏฐิกับอุเฉททิฐิแต่ที่ดิ้นว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่อันนี้ก็สัสตะนะแต่ว่ามันแบบทําเป็นอมภูมิไว้เท่านั้นแหละจริงๆก็คือสัสตะทิฏฐินั่นแหละมันนสรุปว่าทิฏฐินี้ทั้งหมดรวมๆเหมนกทั้ง10ข้อคือสัสตะทิฐิกับอุเฉททิฐิเนี่ยนะสรุปว่าทั้งทั้ง ทั้งสิบกลุ่มเนี่ยนะก็เสนอทิฐิของเขาเองว่า mm hmm. อยู่บนพื้นฐานของศาสนาทิฐิกับอุเฉททิฐินั่นเอง mm hmm. ทีนี้เมื่อปริภาโชคกล่าวอย่างนี้แล้ว mm hmm. ท่านอนาถาบินทิกะขึ้นหาบาดีก็กล่าวกับปริภาชกเหล่านั้นว่าข้า mm hmm. แต่ท่านผู้เจริญนะนะอันนี้ลองท่านลองคิดคิดถึงถ้าพวกเรานี่จะไปแก้รัตที่เขายังไงว่าถ้าเขามีความเห็นแบบนั้นนะเราจะไปว่ายังไงดูที่จะอยู่หลักการของตัวเองอยู่หรือเปล่าคุณช mm hmm. ูศรีจะว่าไง ยังไม่กล้าตอบนะจางเกสุดานะเคยตอบดีนะตอนนี้จะตอบว่ายังไงเคยยพูดเมื่อก่อนนั่นนะนกไม่ออกแล้วนะแล้วพวกบุารจะตอบว่าไงดูว่าจะดำรงอยู่ในหลักการไอ้ปริญญาอย่างเดิมหรือเปล่าก็ต้องเอาปริญญามาตอบอยู่แล้วใช่ไหม ก็คงจะหนีเรื่องปัจจัยไม่พ้นครับเพราะว่าโลกนั้นก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยทั้งสิ้นน้อการยังไปตามอีกอันนั้นังแลดีกว่าเดี๋ยวเสียกว่านั้นอีกก็อนาถบิณฑกะก็ได้กล่าวกับปริพาชกเหล่านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ท่านผู้มีอายุได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนคริหาบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอันนี้ท่านบอกทิฏฐินะทิฏฐิของท่านผู้มีอายุนี้เกิดเพราะทําไว้ในใจโดยไม่เย็บคายอันนั้นเป็นทิฏฐิใช่ไหมมันเป็นความเห็นความเห็นอันนั้นเกิดจากอายนิสมานสิการหรือเพราะประโตโคโะเป็นปัจจัย สรุปนะที่คุณเห็นแบบนั้นที่คุณคิดแบบนั้นนะ่ปะปัจจัยใหญ่ๆสองอย่างคืออะโยนิโสกับปรตโตโคสะนะคือคือถ้าถ้าจะเปรียบเทียบสัมนวนนะจะนึก ง, ง่ายพอเหมือนเด็กคนหนึ่งมันตื่นขึ้นมาบอกแม่หนูฝันว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ย น, นะแม่เขาจะไกรถามว่าเออเองกินมากไปมันเลยกินมากฝันมากนะคือแม่จะไม่ไปตามว่าฝันว่าเรื่องอะไรไปยังไง น, นะคือเขาจะไม่ตามนะเพราะสิ่งที่ฝันนะี่แหละ โดยมากไม่จริงใช่ไหมคือเป็นเรื่องไม่จริงอะนะก็ไม่ไม่ต้องไปตามว่าไอ้สิ่งที่เขาฝันเห็นต้นไม้ใบหญ้าภูเขาฝันเห็นสวรรค์นมิมานทั้งหลายแหละก็ไม่ต้องไปตามไอ้ทิ่งที่เขาฝันไอ้ไหนูกินมากไปเมืึกวาดนเนี่ยก็ว่าเรื่องนี้ไปนะมั้นปัจจัยที่ทําให้แกฝันเนี่ยก็คือกินมากไปอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันว่าเขาถือว่าโลกเนี่ยเที่ยงอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าเรื่องโลกเป็นต้นไม่ต้องไปคิดตามเขาเลยแต่ก็จับไอ้ตัวความคิดอันนั้นว่าเกิดจาก อโยนิสโสมนัสิการเกิดจากปรโตโขโสภานั่นเองเนี่ยนะเพราะเพราะอะไรอโยนิสโสมนัสิการก็คือไม่ฉลาดคิดภายในตัวเองอะไนปรโตโขโสภาก็ได้รับเสี้ยมสอนมาจากครูอาจารย์เป็นต้นนั่นเองก็ทิฐินั้นอะเกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันนี้อย่าตะปริญญาให้เนี่ยนะอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัย ก็ปัจจัยหลักๆก็ยกมาสองตัวอย่างให้คือปรตโขโสษะกับอโยนิสโสมนัสิกามเนี่ยนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมิจฉาทิฐิก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงอันนี้เป็นอะไรปริญญาตีระณ ะ, ะปริญญาใช่ไหม เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เมื่อถูกปัจจัยปรุงแต่งมันไม่เที่ยงหรอกเหมือนกันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกท่านผู้มีอายุเป็นผู้ติดในสิ่งนั้นนั่นแหละนะท่านติดในทิฏฐินั่นแหละติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกนั่นแหละท่านผู้มีอายุเข้าถึงสิ่งนั้นนั่นแหละนะก็อนนาถานี้ก็คือทิฏฐิของท่านเราบอกว่าท่านติดในทิฏฐิของท่านอันนี้แหละคือทิฏฐิของอนนาถบินทิกาเศรษฐีก็คือการทําปริญญาใน ทิฐิอันนั้นแล้วก็เห็นว่าเออบุคคลนี้ยังติดข้องในทิฐิอยู่นะเนี่ยนก็มีเท่านั้นแหละอน น, นก็แก่คนที่สองบกว่าเป็นรายที่สองว่าแม้ท่านผู้มีอายุรูปใดกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนคนหาปีิเรามีทิฏฐิว่โลกไม่เที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าทิฏฐิของท่านผู้มีอายุแม้นี้ก็เกิดเพราะเหตุการณ์ทาไว้ในใจโดยไม่แยกใายหรือเพราะ การโฆษณาคือปรตโตโคสะนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ทิฏินั้นเกิดขึ้นแล้วอาศัยปัจจัยปรุงแต่งอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกท่านผู้มีอายุนั้นเป็นผู้ติดในสิ่งนั้นนั่นแหละนันะท่านผู้มีอายุเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงสิ่งนั้นนั่นแหละสรุปคุณยึดดติิิในนทฐ้วยอําาขง ตันหาเรื่องอำนาจของทิฐินั่นแหละไม่มีอะไรรอกเหมือนกันนี่ก็ว่าเป็นรายบุคคลที่สมแกว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดนะคนที่สี่ที่ห้าที่หก8 9็ดแดเก้าก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นที่คุณบอกว่าเมื่อสัตว์ตายแล้วเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้นั่นนะก็ทิฐิของท่านผู้มีอายุนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งอาโยนิโสมนสิการหรือเพราะประโตโคโะเป็นปัจจัย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 ปัจจัยที่ทีนั้นไม่เที่ยงรอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเนี่ยนะเออนี่ก็เป็นทิ่ทอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ทิ่ทแบบนี้เรียกว่าสัมมาทิฐิใช่ไหมอาการที่เข้าไปเห็นแบบนี้ก็เป็นทิฐินะแต่เป็นสัมมาทิฐินี่คือคือลักษณะผู้ศาสนาเป็นแบบนั้นเมื่อท่านอนาถบินทิกาครึหาบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกคนเหล่านั้นก็ได้กล่าวกับท่านอนาถบินทิกาครึหาบดีว่าดูก่อนครึหาบดีพวกเราทั้งหมดบอกที่ทีของตนแล้วขอท่านจงบอก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 อัตตาของเราสรุปว่าท่านเห็นว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะคือท่านทาปริญญาในสิ่งนั้นแล้วใช่ไหมและใครครวญว่าสิ่งนั้นน่ะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นเองแต่ว่ารู้ปัจจัยมาก่อนเป็นอย่างดีนะดูก่อนคืนหาบดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้ปริภาชกเขาแก้นะเขาเขาจะเอาคืนบ้ง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 เกิดขึ้นเพระาะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ ข, ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราทั้งรู้ชัดอุบายเครื่องสลัดออกจากสิ่งนั้นอย่างยอดเยี่ยมอันนี้รู้ว่าถ้าข้พาพเจ้านี่รู้อุบายสลัดออกที่สุดของทิฏฐิด้วยอะไรถามว่าอะไรตัวที่สลัดออกจากทิฏฐิสุดยอดนะชั้นสูงสุด โสดาปฏิมักกันนะคือรู้ระดับโสดาปฏิมักถอนเรียบร้อยหมดแล้วว่งงนันเพราะฉะนั้นรู้ที่สลัดออกจากทิฏฐิเราเานี้อย่างยอดเยี่ยมหมดแล้วเมื่อท่านนาถบินทิกะขึ้นหาบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกเหล่านั้นก็พากันนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาเนี่ยโต้อตอบไม่ได้แล้วนะอยอมแล้วคือกคุยต่อไม่ได้แล้วนะขนาดนี้แล้ว สัมนวนว่านะจะดึงมาหาลับที่ในสิบอย่างนี่หมดทางเลยนะ <c oughs> เหมือนกับว่ายูยูแล้วจะจริ ง, รงๆอ่ะนะถ้าการเสนอรับที่นะถ้านาถะบินทิกะเห็นด้วยก็จะดีเหมือนกันอ่ะนะแต่นี่แหมยื่นข้อไหนเข้าไปเนี่ยนะถูกตัดหมดก็ยังเลยนะเสนอรับที่เข้าไปไม่ได้สักข้อเลยลก็แปลกที่ว่าโคกัญญาเดีีนี้ไม่ยอมเปลี่ยนที่ถิ่ตัวทั้งที่ฟังของจริงด้วยมีเหตุผลด้วย <c oughs> โอ้ก็เขากรมอีทางสัจจาพินิเวสกายะคันทะคือเขาถือว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าแกไม่เห็นแบบนี้อย่างนี้ไม่ใช่เห็นไหมก็เหมือนในยุค น, นี้แต่ก็ไม่รู้ธรรมะนะเรียนมาขนาดไหนก็ไม่รู้ธรรมะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเสร็จแล้วก็อนาถก็พอรู้นะว่าปริพาชคเหล่านั้นเป็นผู้นั่งนิ่งเก้อเขินคอตก กลมหน้าโศบเสาโต้ตอบไม่ได้ลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วก็กราบทูลทั้งหมดให้ฟังพระองค์ก็ตรัสว่าสาธุสาธุขรหับดีท่านพึงข่มขีพวกโมฆะบุตรเหล่านั้นให้เป็นการข่มขีด้วยดีโดยกาละอันควรโดยชอบทำอย่างนี้แหลแล้วก็พระองค์ก็แสดงธรรมให้อนาถาปินิกะฟังอันะให้เห็นแจ้งสมาทานอาทานราเริงด้วยธรรมมีกะทะตอนหลังอนาถาปินิกะ ก, ก็ถวายบังคม ลาพระผู้มีพระภาคทำพระทักษิณแล้วก็หลีกไปเมื่อท่านอนาถบินทิกะเครืหาบดีหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรเรียกพิสูุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสษุทั้งหลายภิกษุใดแลเป็นผู้มีธรรมะอันไม่หวั่นไหวในธรรมวินัยตลอดกาลนานคือไม่หวั่นไหวในพระัตนะตรายแบบนี้นะก็โสดาปฏิผลด้วยไหมผู้ที่มั่นคงแบบนี้เนะี่ยนะพิสษุแม้นั้นพึงข่มขีอัญญาเดรธีปริภาชกนั้นให้เป็นการข่มขี ด้วยดีโดยชอบธรรมะอย่างนี้เหมือนอย่างอท่านอนาถาบินทิกะครือหบดีเนี่ยขมขีแล้วฉะนั้นเนี่ยนะแล้วก็คงจับประเด็นได้นะว่าทิฐิทุกอย่างนะความคิดทุกความคิดเกิดจากปัจจัยเนี่ยนะเกิดจากเนี่ยถ้าความคิดอันนั้นเกิดถ้าเป็นกุศลก็อยากโยนิสมนานัิการถ้าเป็นอกุศลก็เกิดจากอโยนิโสมนานัิการหรือเกิดจากปรตโตโคสะเนี่ยนะเช่นว่านะ ขณะไหนก็ตามนะถ้าเรามีความคิดใดเกิดขึ้นให้รู้ว่ามาจากสองอย่างนี่ น, นะเช่นถ้าฟังธรรมอย่างนี้ก็ปะโตโคสะใช่ไหมถ้าอยู่คนเดียวก็อโยนิโสมนัสิการเนี่ยนะหรืออโยนิโสมนัสิการถ้าเป็นอกุศลเพราะนั้นพวกเนี้ยเกิดจากปัจจัยเนี่ยกลุ่มๆใหญ่ๆเนี่ยสองประการเนี่ยเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยนี่นะแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าสิ่งนั้นก็เป็นปัจจัยด้วยนะ ถามว่าความคิดเหล่านั้นจะเป็นปัจจัยต่อไปไหมทิฏฐินี่จะเป็นปัจจัยต่อไปไหมเพราะนั้นก็เลยใช้คําว่าสิ่งเหล่านั้นอะถูกปัจจัยปรุงแต่งในขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นปัจจัยแก่สิ่งอื่นด้วยเะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรตามเห็นว่าสิ่งนั้นนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะเพราะนั้นอริยสาวกผู้มีปัญญาโดยแยบคายก็ย่ออมจกเบื่่หนนายใ สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเบื่อหน่ายก็น้อมไปเพื่อความคลายกําหนัดเนี่ยนะเพื่อความดับเพื่อทําที่สุดแหง่งทุกนะเพื่อทําที่สุดแหง่งทิฏฐิทั้งหลายเหล่านั้นได้ที่ปัญญานะฮะปัญญาหรือสมมธิทิฏฐิก็เกิดจากปรตโตโคสะนะเป็นการฟังที่ถูกใช่ไหมครับแล้วก็ยโยนิโสมนสิการก็เป็นการยโยนิโสมนสิกที่ถูกอีกพะมาฝ่ายทิฏฐิซึ่งตรงข้ามกับ กับกับปัญญามั้งก็เกิดจากก็เป็นปรัตตโคสะที่ฟังผิดเกิดจากปาปมิตรก็เกิดจากปรัตตคาสะและยังไปคิดผิดอีกก็ไปคิดผิดเธอเพราะฉะนั้นมงคลเนี่ยนะพระองค์จึงเลือกเป็นข้อแรกเลยว่าอเสวนาจะพารานังปันติตานัจะเสวนาเนี่ยนียก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้นะที่ล่อล้อมความคิดของของคนขึ้นมาเนี่ย สังคมสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะทั้งหนังสือทั้งครูบาอาจารย์ทั้งสารพัด ท, ที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะพวกนั้นจะเป็นปรโตโคสะให้ปรโตโคสะให้ทั้งหมดเลยทีนี้ว่าสิ่งที่เรารับมาเนี่ยนะอเหล่านั้นเนี่ยมาจากคนดีหรือคนเลวเนี่ยนะตรงนั้น่ะที่ที่ให้ความสำคัญมากปรโตโคสะมาตั้งสิบปียี่ิปีท่านคิดดูสิครับว่าอะไรจะเกิดขึ้น อ้าก็ก็ความคิดเหล่านั้นอ่ะมันเกิดขึ้นมันหนักแน่นนะนะถ้าตะปูเนี่ยก็ย้ำมาจนนะย้ำมาบางเจ้าเนี่ยนะตัดหัวด้วยนะไม่ให้ถอนอีกก็ถือว่าเนี่ยเป็นการย้ำดีที่สุดแล้วนั้นตัดหัวตะปูเลยมันไม่ต้องถอนโฆษณ์นี่แต่ว่าอะไรครับอ่าประโตเนี่ยนะจากฝ่ายอื่นโฆษะก็คือเสียงโฆษณาหรือคําพูดอะนะเสียงจากฝ่ายอื่นนั่นเองนะคือคือข้อมูลข่าวสารที่รับจากบุคคลอื่น เช่น e เรามาฟังธรรมอ่ะ น, นะเชื่อไหมว่าได้ทิฏฐิไปเต็มเต็มเลยที่มานั่งฟังกันอยู่ชั่วโมงกว่ากว่านี่นะได้ทิฏฐิไปเต็มเต็มละเนี่ยนะแต่ว่าจะเห็นว่าทิฏฐินี้ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่จากเห็นสมควรแต่ว่าอย่างวันนี้ก็ได้ทิฏฐิไปอีกหนึ่งทิฏฐิละเนี่ยนะจังทิฏฐิสูตรเนี่ยก็ได้ไปหนึ่งทิฏฐิอีกแล้วเนี่ยนะแต่ทิฏฐิเหล่านี้นี่เราก็เชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเหล่านี้จักเป็นปัจจัยให้แก่ สัมมาสังกัปปะเป็นต้นมันก็เป็นการอบรมทิฏฐิที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานนั่นเองเนี่ยนะที่เป็นทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะที่เราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านี้ตรัสรู้ธรรมะเป็นที่พ้นทุกข์จริงถ้าเรามาฟังมาศึกษามาปฏิบัติตามพระองค์ก็เชื่อว่านั่นจกเป็นปัจจัยแห่งความพ้นทุกข์ด้วยเนี่ยนะก็พระองค์ปรารถนาว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยใช่ไหมของเราก็ พ่อองค์ตรัสรู้แล้วเราขอตรัสรู้ตามด้วยเนี่ยนะเก็เป็นลักษณะเนี่ยนะก็ขอติดตามนแปลว่าอะไรครับผมไม่ฟังไม่ได้ฟังมั้งแปลว่าฟังจากคนอื่นฟังจากคนอื่นังคนอื่นนะครับฟังดีไม่ดีไม่รู้นะอีกคนหแปลว่าฟังจากคนอื่นนะนะเช่นเนี่ยที่มาฟังเนี่ยเนี่ยเชื่อว่าปรตโตโคเนี่ยที่มามาเนี่ยคือมาปรตโคโศแต่ว่า จะเป็นปัจจัยแห่งถ้าเป็นปัจจัยแก่กุศลนะ่ะคือโอยโนิโสถ้าเป็นปัจจัยแก่อคุศลอขอไปประตโตโคสะนี่นะถ้าเป็นปัจจัยแก่กุศลถือว่าดีถือว่าประตโตโคสะที่ดีถ้าเป็นปัจจัยแก่อกุศลถือว่าเป็นประตโตโคสะที่ไม่ดีแต่ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะของเราทั้งหลายเนี่ยผู้มีธรรมะเป็นสารณะก็เอาอะไรเป็นเครื่องวัดก็เอาคําสอนนั่นแหละเป็น เครื่องวัดเพราะฉะนั้นตอนนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการศึกษาคําสอนพอให้มีข้อมูลเป็นสเสมเียกว่าเป็นเครื่องคัดนะนะเครื่องคัดความคิดนะถ้าไม่เอาคําสอนเป็นเครื่องคัดความคิดนะความคิดที่เรารับมาเนี่ยเราแยกไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรผิดเหมือนกับเราเก็บอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่ า, วาขี้หนู ก, กับข้าวสารเต็มถังไปหมดเลยเนี่ยนะมันก็เต็มถังเหมือนกันนะแต่ ว่าคิดเริอมันเข้าสารเน่ยนะเพราะนั้นก็ถ้ามีคําสอนก็จะแยกแยะว่าส่วนไหนคิดถูกตรงไหนคิดผิดเนี่ยนะเพราะทุกๆความคิดที่เราคิดจะได้รับการตรวจสอบหมดเลยจนไม่มีความเห็นเป็นของตัวเองอ่ะนะจนเครียกว่ามีทิฏฐิของมีทิฏฐิตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นอนุพุทธะใช่ไหมเป็นผู้กลุ่มตรัสรู้ตาม ถ้าหากว่าผู้ใดเห็นมีทิฏฐิเป็นอื่นจากพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นสาวกของพระ อ, องค์หรือก็ก็ไม่ใช่ก็จนกว่าจะเป็นทิฏฐิเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแต่จะทิฏฐิเดียวกันนะชนิดเดียวกันแต่จะกว้างขวางมากน้อยอันนี้ไม่เท่ากันเหมือนกับว่าแสงสว่างเนี่ยนะเราก็มีแสงสว่างด้วยอํานาจของสัมมาทิฏฐิคือปัญญาแต่แสงสว่างของเรายัางไงก็สู้ดวงอาทิตย์ไม่ได้ใช่ไหมพระอาทิตย์นี่อย่างวันนี้นะส่องที่เชียงใหม่แล้วก็ส่องที่อื่นด้วยไหม สองที่อื่นด้วยถึงชาวเชียงใหม่ได้รับประโยชน์ดวงอาทิตย์ก็สองที่อื่นด้วยฉั้นใดก็ดีคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้เข้าใจก็ตามสมควรแก่กําลังของเราผู้อื่นที่เขาศึกษาเขาก็มีความรู้ตามสมควรแก่เข้าไปทีนี้ทํายังไงว่าไอแสงสว่างคือปัญญาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญคือเป็นประต โ, ตโคโะจากพระองค์เนี่ยนะมาเป็นปัจจัยให้แก่เราในยุคนี้ก็คงอาศัยพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นเอ เป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องวัดเป็นประโตโคษะที่ที่เหลือไว้นะแต่ผู้ใดถ้าปฏิเสธพระไตรปิฎกก็ที่เหลือก็บอกว่ารอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อย่างเดียวถ้าปฏิเสธพระไตรปิฎกเนะี่ก็จะไปเจอเลยครับอ่ะเจอไม่เจอไม่รู้ล่ะแต่ถ้าจะว่าให้ตรงเลยนะพระปฏิเสธพร ะ, ตะไตรปิฎกอ้าวสมนวนนะเขาบอกว่าถ้าเชื่อว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าสมมุตินะก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นั่นแหละจะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่ บุคคลอื่นไม่มีใครพูดได้ตอนนี้นะกออ็ไปเจออย่างเดิมอีกอ้าวไปเจออย่างเดิมมันก็ไปเจอพระพุทธเจ้าบอกแกก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละแต่ว่าว่าให้ตรงนะสมมติถ้ายุคนี้เลยเนะี่ยถ้าใครปฏิเสธพระไตรปดกก็เท่ากับปฏิเสธพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วมันไม่มีเขาบอกว่าถึงบุคคลอื่นนะก็ไม่มีใครรู้ละถ้าใครเขาบอกว่าใครค้นพบเองนะมคนนั้นเท่ากับบอกว่าตัวเองคือพระพุทธเจ้า เพราะธรรมะนะบุคคลที่ที่ค้นพบด้วยตัวเองมีสองทนเท่านั้นนะตามหลักฐานตามแนวพระไตรปิดกคือพระพุทธเจ้ากับพระปเจ ก, กับพุทธเจ้าเพรา ะ, ะนั้นใครที่บอกว่าตัวเองค้นพบนะเพิ่งไปพ้นพบมาหยกหยกเนี่ยให้รู้เถอะว่าลองของใหม่แล้วนะ <c oughs> ก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงอนะ่ะคนพร้อมจะถือตามอยู่แล้วไปคิดอะไรมาได้ก็เถอะคนพร้อมจะเห็นตาม น, น, นะวันนี้สมควรกับเวลาแล้วนะ